สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาทกรคนชอบเล่าวันนี้ผมมีเรื่องเล่าตำนานนักบวชหญิงรูปหนึ่งซึ่งอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นครับในนิกายเซนมาเล่าให้ท่านได้ฟังครับนักประเทศญี่ปุ่นมีสาวน้อยวัยปีอยู่ผู้หนึ่งเธอเกิดในปีพศ2อ4 6สอ 2, 6, ในตระกูลของนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิ สาวน้อยผู้นี้มีนามว่าโยเนนสาวน้อยโยเนนผู้นี้ถือได้ว่าเป็นเทพีแห่งความงามในสมัยนั้นเลยทีเดียวไม่เพียงแต่นางจะเป็นผู้มีความงดงามเท่านั้นสาวน้อยผู้นี้ยังได้รับการศึกษาอักษรสมัยมีอัจฉริยภาพทางการเขียนฉันและกาบได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยจึงทำให้โยเนนเป็นที่โปรดปรานของราชนีของมหาจากักรพรรดิทรงมีรับสั่งให้เรียกตัวเข้าถวายงานและมอบตำแหน่งที่สูงส่งให้ คือคนสนิทของพระองค์ส่งให้ความรักความเอ็นดูแก่โยเนนทำให้วงตระกูลของสาวน้อยโยเนนผู้นี้เป็นที่นับถือนับหน้าถือตาพ่อแม่พี่น้องวงสาคานาตาต่างดีใจเรื่องราวดูเหมือนจะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตามมาจากนั้นในเวลาไม่นานครับก็คือมหาจากาักรพรรดินีผู้โปรดปรานเธอได้สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหัน ต่อหน้าสาวน้อยโยเนนขณะที่เธอปฏิบัติรับใช้อยู่ทำให้สาวน้อยโยเนนตกอยู่ในอาการรู้สึกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสับสนวุ่นวายในความคิดด้วยอายุเธอเพียงแค่นี้ก็ต้องมาพบกับเหตุการณ์อย่างนี้ถือว่าหนักหนาต่อความรู้สึกของเธอมากได้แต่คิดว่าอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทั้งที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขชีวิตกำลังดีอยู่แล้วแท้ มันอะไรกันบัดนี้หัวใจก็เกิดความทุกข์และความเศร้าโศกทำไมหนาเธอถึงต้องเศร้าโศกรู้สึกเป็นทุกข์กับการที่ต้องสูญเสียคนที่รักที่รู้จักไปจึงคิดหาทางออกเพื่อให้พ้นจากความทุกนี้จากเหตุการณ์นี้และจากการที่เธอเป็นคนละเอียดอ่อนได้อ่านตำรับตารามมามากได้อ่านหลักของศาสนาพระธรรมจึงทาให้เธอสนใจในเรื่องของพระธรรมมากยิ่งขึ้น กับพุทธศาสนาอยากทราบว่าจะมีหนทางออกให้กับปัญหาที่เธอเป็นทุกข์อยู่หรือไม่จึงมีความคิดที่จะออกบวชเพื่อจะได้ไปศึกษาพระธรรมอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าทางครอบครัวของเธอไม่อนุญาตให้เธอออกบวต่างมีการถกเถียงกันยกใหญ่ที่ว่าเธอมีความคิดอย่างนี้ไม่ว่าเธอจะพยายามอ้อนวอนอย่างไงจะบอกถึงเหตุผลอย่างไรทางบ้านเธอก็ไม่มีทางยินยอมเด็ดขาด พี่ปานาอาพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งด้วยเธอทั้งยังสาวและยังสวยยังไม่มีเย่ามีเรือนยังไม่ได้ทำหน้าที่ของลูกสาวอย่างเต็มที่ครอบครัวเธอขนาดนั้นมีการถกเถียงกันยกใหญ่เกิดความตึงเครียดด้วยต่างฝ่ายต่างมองไปคนละมุมไม่สามารถลงเอยทางความคิดกันได้เธอถึงขนาดมีความคิดว่าจะแอบหนีไปบวชกันเลย โอกาสเมื่อใดเธอก็จะรีบหนีไปบทันทีทางครอบครัวจึงปรึกษากันจึงได้ใช้ไม้ตายโดยการจัดหาผู้ชายที่สูงสักมาให้แต่งงานเป็นคู่กับเธอให้มีครอบครัวให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปฝ่ายสาวน้อยเมื่อได้รู้ก็ยิ่งไม่ยอมไปกันใหญ่ก็มีการตกลงกับครอบครัวเธออยู่นานมีการเจรจาต่อรอง สุดท้ายเธอจำต้องยอมแต่งงานเพื่อทำหน้าที่บุตรีของครอบครัวโดยเธอมีข้อเสนอว่าหากเธอคลอดบุตรคนแรกออกมาแล้วไม่ว่าจะชายหรือหญิงเธอก็จะขอออกบวชทันทีแต่ทั้งฝ่ายบิดามารดาของเธอไม่ยอมอย่างนั้นโดยกล่าวอ้างว่าตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วบุตรีพึงจะสมบูรณ์ได้ก็คือต้องมีบุตรให้ครบสามคนก่อน ด้วยความจนใจกับขนบธรรมเนียมประเพณีเธอจึงจำยอมแต่งงานแล้วทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีให้กับสามีจวบจนก่อนอายุ25ปีของเธอเธอมีบุตรครบสามคนตามสัญญาบัรนี้ไม่มีใครสามารถจะเหนี่ยวรั้งไม่มีพันธะใดๆจะมาเหนี่ยวรั้งไม่ให้เธอออกไปบวชได้อีกแล้วเมื่อได้รับอิสราภาพแล้วเธอก็โกนหัวเป็นอนาคาริ ออกเที่ยวศึกษาพระธรรมตามวัดตามวาต่างๆห่างออกไปจากบ้านของเธอเรื่อยๆเรื่อยๆแม่ฉีสาวโยเนนออกเที่ยวสแสวงหาโมคธ ร, รมตามสำนักต่างๆหลายสำนักแต่เธอก็ได้พบว่าการขอรับการศึกษาพระธรรมจากหลายสำนักนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยส่วนมากสำนักต่างๆมักจะเพิกเฉยต่อการขอเข้าขอเป็นสิทธิ์ของเธอ ดูแสดงอาการไม่สนใจเธอจะให้อยู่หรือไม่ให้อยู่ก็ไม่มีว่าแต่เธอก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีอาการแสดงว่าไม่ต้อนรับอยู่ในทีปัญหาใหม่ได้เกิดขึ้นกับเธอแล้วทีแรกเธอได้แต่สงสัยไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งเธอรอนแรมด้วยระยะทางที่แสนไกลหลายสำนักหลายพื้นที่จบจนเธอล่วงเข้าเขตมนทนอีโด ก็ได้ขอเข้ารับการศึกษาจากอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอาจารย์เทสุยุเป็นคนพูดตรงพูดขวาญผาา่าซาาเพียงแค่อาจารย์มองเห็นเธอคลานเข้ามาแสดงความจำนงเท่านั้นก็ตอบปฏิเสธไปทันทีว่าสำนักนี้ไม่สามารถรับเธอไว้ได้เพราะเธอทั้งสวยและทั้งสาวจะไม่เป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ในสานักนี้จากคำปฏิเสธนี้เอง ทำให้เธอได้คนพบปัญหาอีกด้านหนึ่งของคําว่าสวยงามบางสถานที่และบางเหตุผลความงามมันก็ไม่ดีเสมอไปโอ้โลกนี้มันอะไรกันนักหนาเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งท้อใจโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่เข้าใจอีกหรือความสวยงามของเราก่อให้เกิดโทษมันช่างมีอะไรให้ชวนติดตามเพื่อให้รู้แน่แท้อีกมากมายจริงๆรคิดได้แค่นั้นเธอก็ต้องสมซาน ร, รอนแรง ต่อไปอีกสำนักแล้วสำนักเล่าเมื่อเธอมาถึงสำนักเซนวัดหนึ่งวัดนี้เป็นวัดใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งพิษุและนางชีเจ้าอาวาสใหญ่ฝ่ายเซนมีนามว่าฮาคุอุเมื่อได้เดินเหยียบย่างเข้าไปในสำนักแล้วแม่ชีก็เกิดอาการไม่มั่นใจด้วยเกรงว่าจะเหมือนกับสำนักอื่นๆต่างๆที่ผ่านมา เธอจึงได้เข้าไปขอพักกับทางฝ่ายของแม่ชีก่อนรุ่งเช้าค่อยไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสในใจก็คิดว่ามีความหวังน้อยมากคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยได้แต่คิดถึงปัญหาของการออกบวตรของเธอกับปัญหาที่โยกเย้โยกโยกมานานไม่ประสบความสำเร็จคว้าน้ำเหลวมาตลอดที่ผ่านมา ปัญหาทั้งหมดเพียงแค่ติดที่ใบหน้าของเธอแค่นั้นหรือคิดไปคิดมาเธอก็คิดออกเธอจึงได้นำเหล็กเผาไฟรงแรงเอามานาบที่หน้าของเธอให้เกิดเป็นแผลเป็นลบความงามบนใบหน้าของเธอเสียหมดสิ้นทันทีเธอจึงกลายเป็นคนอับปลักเป็นในที่สุดแต่สิ่งที่เธอได้มาคือความโล่งใจที่สามารถกําจัดอุปสรรคขวางทางของเธอออกไปได้ และขณะที่เธอมีความสุขใจนั้นก็เกิดบทกวีขึ้นมาให้เธอได้พากออกมาจากใจมีเนื้อความว่าครั้งเราสนองพระโอษฐในพระบรมจั ก, กรพรร ด, ดินีนาวังหลวงอยู่นั้นเรามีแต่เผากำยานและของหอมอบร่ำพัตตราพรเพื่อให้สวมใส่พื้นผิวร่มรื่นชื่นนาสา มาบัดนี้เล่าตกอยู่ในที่ยากไร้ทั้งทรัพย์สินญาติพี่น้องและบ้านเรือนที่พักพิงเราก็ได้เผาเหมือนกันแต่เผาผิวหน้าของตนเองเพื่อขอเข้าศึกษาในสำนักเซนฟังดูอาจจะไม่ค่อยสลัดสะวยสักเท่าไหร่นะครับตามแบบไทยพอรุ่งเช้าเธอก็เข้าไปกราบเท้าหลวงพ่ออาจารย์ฮากุ อ, อกุเพื่อขอเข้าเป็นศิษย์ในสำนักและเธอก็แทบจะไม่เชื่อหูของตัวเธอเองอีกครั้ง เมื่อเธอได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เธอคิดมันผิดอย่างใหญ่หลวงผิดครั้งนี้ไม่ใช่ผิดที่หลวงพ่อไม่อนุญาตให้อยู่แต่หลวงพ่อได้สอบถามถึงใบหน้าที่ถูกไฟลวกผุพองเธอจึงตอบไปให้ทราบถึงเหตุผลที่เผาใบหน้าให้เสียโฉมตลอดชาติด้วยโทษร่เป็นเพราะเหตุแห่งความงามทําให้เธอไม่สามารถเข้าศึกษาพระธรรมในสํานักต่างๆได้เมื่อพระอาจารย์ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่า ทำอย่างนั้นไม่ถูกเ้นแท้จริงนั้นไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นหญิงเป็นชายนั้นมีทีหลังจากการปฏิสนธิในคันมานดาแต่จิตแท้แท้นั้นมันก่อนการมาได้ชาติความเกิดนั้นเสียอีกความคิดว่าตนเป็นเพศนั้นเพศนี้มันยังเป็นมายาสัตว์ทั้งหลายถูกกักขังอยู่ด้วยเรื่องนี้ ทันทีที่แม่ชีโยเนนได้รับฟังก็เกิดความกระจ่างขึ้นโดยในเป็นอันมากบัดนี้เธอไม่ได้ชื่นชอบในความงามทั้งไม่ชอบชื่นในความที่ไม่งดงามของเธอเธออยู่เหนือความต้องการที่จะเป็นคนมีเพศหญิงเพศชายซึ่งเคยทำให้เธอต้องทรมานมาตลอดอายุไขไม่น้อยกว่า30ปีบัดนี้เธอได้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเซนอันมีหลวงพ่อฮากุโอเป็นอาจารย์ผู้สอน หลวงพ่อเป็นอาจารย์ที่ดุมากปฏิบัติต่อศิษย์ไม่ว่าชายหรือหญิงเท่าเทียมกันไม่มีความลำเอียงเลือกที่รักมัดที่ชังเคร่งคัดต่อพระวินัยมากด้วยข้อนี้เป็นที่ถูกอธยาศัยภาวนาของแม่ชีโยเนนอย่างยิ่งแม่ชีโยเนนอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่กับสับนักอาจารย์เป็นเวลา13ปีลหลังจากนั้นมาชีวิตบ้นปลายของแม่ชีโยเนน ได้ไปหลีกเร้นพักอยู่ตามภูเขาแขวงจังหวัดบัญชูมีผู้สนใจขอตามไปอยู่ด้วยเธอจำเป็นต้องเป็นผู้นำแม่ชีด้วยกันถึง200คนให้ความปกครองด้วยความอบอุ่นอย่างทั่วถึงจวบจนแม่ชีได้ดับขันลงเมื่อเดือนสิงหาคมพศสองพจากเด็กสาวน้อยผู้งามดังเทพีได้กลายเป็นแม่ชีแ ก, แก่ที่เต็มอยู่ด้วยสันติสุขตลอดการ และด้วยวิญญาณที่เป็นกวีของเธอเมื่อใกล้จะสิ้นลมเธอได้เขียนคำร้อยกรองอันไพเราะเป็นโกอานเป็นที่ยกย่องของพวกเซนมาจนถึงบัดนี้จากเรื่องนี้ทําให้เลงเห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีทางเลือกเสมอขึ้นอยู่แต่ว่าเราจะเลือกไปทางใดไปทางที่รู้แจ้งและหลุดพ้น หรือว่าเลือกที่จะหนีปัญหาแมชีโยเนนได้ทำให้เห็นแล้วว่าด้วยความพยายามของเธอเธอก็สามารถเข้ารับการศึกษาถึงปรชัชญาหลักธรรมอันเป็นที่มาของคำตอบต่างๆที่ทำให้เธอหมดทุกข์ลงได้พระพุทธเจ้าจัดคนประเภทแมชีโยเนนนี้ว่าเป็นชาติม้าอาชาในคือเพียงชำเลืองเห็นแค่เงาที่เขาเงื้อแท้ขึ้นมาเท่านั้น ก็จะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเธอชนเข้ากับปัญหาเงื่อนแรกโดยบังเอิญในชีวิตเธอก็เริ่มขุดคุยสืบสาวไปยังต้นตอของปัญหาจริงๆเช่นเดียวกับบุคคลที่สงสัยว่ามีอะไรอยู่ใต้เสือจึงเลือกเสือขึ้นเพื่อค้นหาการที่แม่ชีโยเนนได้ออกมาบวชเป็นชีนั้นจากการรอนแรมออกเดินทางเพื่อแสวงหาโมฆะธรรม จึงทำให้เกิดข้อคงใจและเกิดการทำผิดพลาดทำให้กลายเป็นแบบเรียนเร็วต่อตัวเธอนับว่าชีวิตเธอเป็นชีวิตที่ควรยกย่องขึ้นเป็นตัวอย่างของกุลสตรีที่มีหลักเกณฑ์บูชาความคิดสวัสดีครับ